วันนี้จะไม่พูดมากเลยสามสิบนาทีนะในหัวข้อของนั้นแหละแต่ว่าจะว่า ก, กันตามแนวปฏิบัติจริงๆเพื่อว่านักปฏิบัติทุกคนความมุ่งหวังที่จริงๆอาจจะไม่เหมืกันก็ได้นะแตะว่าตามความประสงค์รู้ใจเจ้าต้องการต้องผลไปนิพพานวันนี้ก็มาพูดดั้มดาปฏิบัติอันดับแรกคืดาับานิพพุโดยชาติ ขั้นแรกที่สุดเราจะไปนิพพานได้หรือไม่ได้ก็ช่างเถอะแต่ว่าชาติที่จงหย่าตกนรกรกเราไม่ต้องการการต ก, กนรกระดับแรกทีที่ท่าน่าไม่ต้องการตกนรกคือว่าให้ว่าให้จับอารมณ์ที่เป็นกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์เกาะติดที่รู้ที่เลิกเวรเจชาฌาน เกาะชาติให้ติดหรือเกาะอารมณ์ที่เป็นกุศลให้ติดอย่างเราเกาะพระพุทธเจ้าคือภาวนาว่าพุทธโธพุทอสมาหลังอย่างนี้เกาะพระพุทธเจ้าทําให้เป็นประจำหรือว่าบางท่านภาวนาแบบนี้ไม่นถนัดจะใช่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ตามความประสงค์หรือบางท่านจิตคิดว่าในการให้ทาน มีจิตมุ่งมั่นมีความมั่นคงในการให้ตายก็คิดถึงทางการกรุศลไว้เป็นจากันรู้สติอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ที่เปกุศลถ้าจิตเราเกาะอย่างใดอย่างหนึ่งไว้แน่นก่อนที่เราจตายเมือ่อจะตายอารมณ์ที่เป็นกุศลนั้นก็จะบังเกิดกับท่านอย่างน้อยที่สุดท่านก็ไปสวรรค์ถ้ามีอารมณ์มั่นคงก็ไปพุทธมรรคไปได้สองทางสองจุด ตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายๆก็ว่าเขาเล่ากับมาทุกเกี่ยวอย่างกับ เป็นคนที่หาความดีไม่ได้แต่ว่าก่อนที่จายมาทุกเวทนามากขึ้นเห็นบันเล่นบทเสกชจามัญรุ่นเป็นรุ่นายข้าชัยพิจายรุ่นปัดกังหมดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีนี่เขาโคตโหเราแต่ไม่มีใครสามารถจะเพิ่มกับชาวทุกเวทนาของเราได้เราเห็นเดียวองค์เดียวรือองค์ทุกเดชเ้าใส่ แล้วความเพีงทุกวันไว้ทุกเวลาที่ฝันมาพระเจ้าจะผ่านมากทุกฝันเขาไม่เคยลืมไปแต่วันนั้นไปไหนไม่ได้เวานึกถึงพระ้ดิ์ศไม่เคย่ให้ส่งเขาหายจากโลกไปเสียแม่แค่แท่จะกินแล้วก็ก็ไม่ได้หายจาโลกไปเลยถ้าตตายลงไปเวลานั้นทั้งทั้งที่กำลังใจยังนึกถึงพระผู้ศัก็อาศัยนึืถึงองค์่ขอบอกว่าพระผู้ศักดิ์ เทียงเท่านี้ก็ไปเกิดสวรรค์ทัานดาวเด่นในสรคมีมานทองคำที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันในวัวโอ้โหฝากจะใการต่อมาในความเทศอยจาพุทธเจ้าคิดหมือนหน่อยเดียวเขาจะเป็นปรสสพุธเจ้าจาปาดต่างๆทั้งหมดไม่มีปาดตามให้รจ้าพุธายกยงจาพุทธเจ้า พทุกคนยังขันดับแรกตั้งใจว่าชานี้เราจะไม่ยอมรับพรจ้าแต่นจะยกให้กับใครกว่าทัินท้นใอรินได้ทุความดีเป็นเรืในด้านเรืทกความเพถ้าว่าจิตเรสมี่ทำาการเรเสแต่เมื่อมีสมาธิส่งตัวนึกถึงพระพุทธเจ้าปนา นึกถึงาทำอารมณนึงร่นอารมณ์นึึงี่รกงเาึงกายการบริจาคทั้งหมดอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะไม่ต้องทุกอย่างถเวลาที่ตายนึึงสิ่งที่ผลอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเพาะแล้วเวลานั้นปาปไม่สามารถจะเข้าแทรกมได้ทก็จะไปตทางทางพีี่สวิตที่ส แล้วว่ากันอย่างย่อๆนะแต่ชือว่าคีณก็ทำคำพูดชาติแต่ว่าสมมติที่อาจรย์เล่าที่หน้าของเรามาไม่เคยสร้างความมีแต่ความปวแต่ทว่าตนเอีก่อนเียรตินึกถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่นึกถึ ง, งเรื่องวนึขอให้พระจามาช่วยโปรให้หมอหาจหหหาบหไปหใสมบ แต่ดิงกะไรก็ไดในถานะ่จจะมีความมีความดีทั้งห่สุที่รบกาสสรรพด้ริยลแล้วต่อมาเมื่อท่านไปช่วยประเทศหลวงุทธมารดามอนิ้กลัให้สุโัต่อกลางปรเทศอื่นต่อบาระเทศจเขาก็เป็นโสดาันคาว่าโสดาบันบรรดาจะหมายแปลว่าเข้าถึงระแสที่สูง คนที่เข้าถึงความเ ป, ประปัตานีแล้วจะไม่ตกนรกสุนทานเรื่ชื่อว่าความทั่วจะไม่มีต่อใครจะทาแต่ความดีและความชั่วเก่าถูกผ่านก็ไม่สามารถลงทั่วได้พราปัตตานีจะตกนรกสุนทานนรกนั่นไปการลงพล้นเลยถ้าจะเข้ามาได้จะโยกตัวจะทุกคนอันตรายมันตั้งใจไว้ ว่าเราจะเกาะคุณอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเกาให้แน่นคุณทุกอย่างเราครับำสิ่งนี้เราชอบในขออย่างนั้นโดยเฉพาะให้มีความไม่ของเรียนนี้ทุกคนจะไม่ไปรหนเราการนเรส่องวันนี้เป็นวันที่สามเราถ่ายก็อขอลายเรียนเพื่อการเข้าสู่เร่งใหป็นเรื่องสั้นอยู่ สังโยชน์สิบนี้ละครับคบัตรตัดได้ทั้งหมดจะเป็นท่รัะถ้าตัสได้แค่สามข้อจะเป็นโอนดาบไปหนึงทางครับโดยเาะอย่างยิ่งการตเฉียทงแปข้อเดียวคือข้อต้นถ้าตัสข้อต้นในรายานทั้งเก้าข้อก็่านไปด้วยข้อต้นคือสัการแย มีความรู้สึกร่างกายนีเป็นเรารือพวกเราเรามีร่างกายร่างกายเราทำมาลีทำไมอย่างนั้นนะอันนี้เวลาที่ระตัครัดไปอันดับขมิโสดาไปก็่าที่มุติเจ้าจะตัดว่าก็โสดาไปก็ดีก็จะดีน่างหากมีสมาธิเล็กน้อยมีตัเล็กน้อยจว่ไม่หนัก สมาีิยังไม่มากยางราดูก็แคบมันก็ไม่ชัดปัญญาก็เล็กน้อยไม่มากแต่ว่ามีตอนนี้จะเห็ว่าเราจะปฏิบัติไม่ก็สังเกติจะก่ฝันเอาความรู้สึกก็มันโสดาบัอยู่ในจิตใจถ้าโสดาวัก็จิมการระวีนทมีความรู้สึกสั้น เราเกิดมาแล้วต้องตายคนทุกคนต้องตายเวลานี้คนอื่นเขาตายแต่เรายังไม่ตายไม่แน่เรามตายนะนึกว่ารากา ย, ายนี้นต้องตา ย, ายาอนีตโยมู้รัาพปนิาาจาละเอียดขึ้นเปนรองพนานามีะจะเกิดที่พิษัายยายคือความเบื่อหน่อยในขั้น5 เ่อหนร่างกายเราเอนด้วยเมื่สไหร่างกายด้วยมี่เพราะอะไรเพราะร่างกายเลี้ยงไม่เชื่อความผิวเกิดขึ้นเราหนมานใหม่กินกินแล้วกระรู้ใหม่กินใหม่ไปแทกรดู้ใหม่โดยเลียงไม่รู้จักจนระนการแรกหน้าตัอาการในสองเราเรร่างกายให้ดีที่ทำดีได้ทุกอย่างที่ทแทก ถ้าใครคนตามแนะนำมาว่าคนปฏิบัต mm ิอ hmm. ย mm ่างนี hmm. S> <S h, ้ไ่ปฏิบัติอย่างนี้รากายังมีความดีร่างกายยัโรคแต่ทำทุกอย่างตอนนี้เขาแนะนามาร่างกายก็ยังมีทุกคนมีโรคเหมือนกันหมดเ้เราร่างกายจะร่างกายเป็นเราดีเรก็ดีมต้องไม่มีโรคเพราะเราเป็นไทต่อมาพูดเ่งามตายทุกคนไม่มีใครอยากตายแต่ถ้าว่า ทั Valerie, so ้งๆที่เราไม่อยากตายความตายก็เข้ามาของเรารวมความว่าร่างกายมีสภาพนาออย่างนี่อย่างน่าอย่าง่งร่างกายของเราร่างกายของเราาไม่ไม่สร้างนักก็มีอะไรบ้างโดยเฉพาะอย่านึ่งร่างกายของเราทํามาร่างกายโดยนังเข้าไปกระอบหนังจะเนือทุกคนทุกคนท่กอบหนังส่วนใดส่วนหนึ่งนังเราไปก็จะเกิดสภาพนา ตอนถูไปแล้วหลังหลอกแล้วไปถูหมดนนีแต่การในสอนนังหลอกเมื่อออกไปทํอรที่เกีกัรใช่คนจะรับรสวะน้ำเพื่อน้ำนองทั้งหมดในร่างกายที่มันจะม่ปอยตามที่ขระเจ้าตรัสในหนังอษฐานลึกกายยาทุกสนามายว่าร่างกายของคนรัชต์มีสภะเหมือนกับถุงแร อาสงฆ์นั้นทาในภาพใหญ่ใภาพใหม่แต่ว่าข้างในใส่ของสุขโชครว้เต็มเรื่อความสมบสุขโลกถ้ายังไม่เปิดปากถุงเพียงใดเท่านั้ก็ถี่ดถ้าเปิดปากถุมาแล้วมาดอว่าลู้สุนัขสุที่อยูนถุงนั้นรวมความว่าส้หรับอารมณ์ว่าหนัคาึ้นยมีความเบิ่อหน่ายในร่างกายทั้งปัปด เมอปกติมันหิวทุกวันเจ้ากินแล้วเสร็จก็หิวถ้าวันนี้กินแล้วกินอิ่แล้วก็หยุดที่ไม่มีก็เริ่มหิวอีมันหิวไม่จบไปกินม่นจบเรียบเท่าไรก็ไม่ชนะผมเป็นการลดสัมผัสมันอาจจะได้แต่ตามผลในการทั้งทั้งเราไม่ทำการรุกโูงมันเลยถ้าสภาพขอมันเพามันไม่มันไม่ยอมเชื่อเรา เป็นการดสการปวดไข้สบายเที่ง่ว่าร่างกายมันจะปวดว่มันทราม่หแม้จะหมอเองก็ต้ต่อไปความแก่ที่เข้ามาไม่มีใครอยาแก่และทุกคนก็สงสเพราะการเวลาเข้ามานี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาว่มันเราก็หางกันในวิีมันก็ตกใจดังนั้นถ้านาทาง คนที่มีกับดังใจข้าเึองอันานักจะมีเรื่องเกิดไมีาห่ความถาอารมณ์จิตมีความรู้สึกเบือร่องใจเบื่อร่องใจก็เราเองด้วยเบื่อเร่องใจคนอืด้วยเบื่อวัตุธาตุแาเบื่อทั้งหมดในโลกนี้ทุกอย่างเนเรื่องอะไรที่ความหนักเบื่อทมดอย่างนี้เ่อรารมณ์ว่านากท่จดตัวแร ก, ก, ก, ก, ก, ก, กต่อไปจ้าเข้าถึงอารมณ์ว่ารน เราบกว่าอันนีะมีแังขาวรูปแบายาทรองครับคำว่าสังขาวรูปแบบทายาทเราการบาลเซนในร่างกายเรื่อการบาเซนก็คือถ้าถ้าอันยอมรับทุกอย่างร่างกายมีอิรก่ยอมรับเพราร่างกายมีอิรุ่ยของสภาไม่เบื่อเมื่อา่าหนาทเรียรมันอรุ่ยก็ให้ป็นกินเข้าไป กินอิมแล้วมันรึไหวมันกินไปใหม่ถ้าไนเลี่ยงมันเราก็เราใส่มาถ้าร่ายมันจะปวดมันก็ต้องปวดผู้านเวลามีมันก็จะปวดต้นเจ็บนี่หยู่หธรรมดายอมรับเจราคือว่าตความเป็นริก็เปนรรดาพรร่างกายต้องเป็นก็ไม่ต้ว่าือว่างเสร็จไม่สฟ้าว่าจะไม่เจ็บนะเจ็บตัเจ็บด้วยปวดด้วยเหมือนใครหนึ่คนธรรมดา เออแล้วม่อคร้งแก่เามีงงก็ตัาม่ใช่เท่าไหร่มีชัั้ขายเบตเายใหญ่รือว่ามครับมีชั้นปีในชั้าเรื่อ ง, งเบตาเข า, ายในั้นเมื่อแรกกายปัญแจกมือวัฒนธรรมของมเอง อย่าไ่แก่อย่างเดียวมันก็จะป่วยด้วยถ้าเราไม่ดูแลร่าาแม่โรงพยาบาอาหรเป็นร่างกาย็าออาากกาของธรรมาทาถ้าป่เฉยเป็นุกมันป่นวยก็ไม่ดูดมันยิ้ถ้าไม่มีระยะีมนก็เป็นสุกมีชิตวม่วแลวไปรวความกลังใจถ้าสมองเหมือนื่อเมื่อความใจถ้ามัิก็ไม่น่าใจ ก็ราบ่าร่างกายของทุกลอยากตายเพื่อความตายพระรั้างยตายเนี่ยมันจะมีใจมากเพราว่าพระรทุกองไม่มีใครต้องการอยู่ในโลกนี้ไม่มีพระรัลที่ไหนที่ต้องการต่ออายพระรัลต้องารอย่างเดียวเท้าที่ผ่านเร็วที่สุดเท่านีได้ฉันไม่รพระราลแต่ไม่ใช่ฉินรบใะเมื่อร่างกายมันยังไม่ตายคน อยาจะอยู่บนเกดีม่ยากจะตายนสุดการนีข้อให้ทราบว่าอาการของข้อเียวัน้นคือไรขั้นหนึ่งคืออารมสดาะบิกนีคือวามรู้สึกในร่างกายว่ารากายมีตาอันสองอารมณ์ว่นอนาคคุนี่ความเบื่อในร่างกายสุดท้ายอารมณ์อรรัน มีการวางเฉยในร่างกายไม่ไม่ไม่ดิ้นรนก็เดือดร้อนท่านนี้ตำหนักสังโยชนิสิทธลกศิษยก็แจกไปแล้วทำบุญมาแล้วนะพอวิ่งตั้งใจงจะแจกทำแจกไม่ทันถ้าแจกไม่ไหวเอยต้องสุดแล้าแตใครจะให้ก็ตังค์ให้ก็เอาไปไม่ให้ก็แล้วไปให้มากก็ได้ให้น้อยก็ได้ก็ตังค์นะเพราะว่าเจ้าของก็พิมมาเขาเขาพิมพ์ทำบุญมาที่ได้ตั้งใจจะแจกๆๆโดยตรง ถ้าจะเราตรงนแค่แจกพก็จะทนไม่ไหวอยู่แล้วก็ต้งองถือเทบับนั่นคนจะกออ่อติดเขาไว้สังโยติสิบข้อที่หนึ่งผ่านไปแล้วนะเอาข้อที่สองถ้าเราตัดข้อที่หนึ่งได้ข้อที่สองก็หมดแต่ว่าเราก็พูดรู้ว่าดีกว่าข้อที่สองวิจิตรฉามีอารมณ์สงสัยในความดีพระเจ้าประทับมพระอาริยสงฆ์ต้องตัดข้อนี้ออกไป แตความสงสัยออกดูพระพุทธเจ้าท่านพระเจ้าท่านสอนแบบไหนปฏิบัติคนแบบไหนมีความโลภโมโทสันหรือเปล่ามีความโกรธร้หรือเปล่าความจริงพระเจ้ามีแต่เมตตากรุณาสองอย่างทรงแนะนําคนทั้งหมดในโลกจงทุกคนจงอย่าทําความชั่วสองจงทําแต่ความดีสามทำจิตใจของใสใจกิเลสเอตังพุทธานศาสสนังทรงยืนยันว่า พระพุทธเจ้าทุกองคตัดเจ้านี้เหมือนกันหมดรพระองความพระเจ้านาคตรพคําคสอนขององค์เป็นพระธรรมต่อมาพระอริยสงฆ์พระสงฆ์สมยัยสมพระอริยเจ้านะที่จริงสมบูรณ์แบบพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปไม่มีเวรไม่มีภารกับใครไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับใคร มีแต่ความเมตตากันนี้เมตตากรุณาทั้งสองตัวทั้งสองขั้นพระโสดาบันก็มีสกิทาหาก็มีนีจะซ่งอยู่ตลอดเวลาจะได้ก็เสเลทคาที่ดนัยข อ, ขอรพเติมความว่าเราก็ตัดความสงสัยเสียพราะพระเจ้ า, จจาดีหรือไม่ดีก็มาต้องคิดคิดอย่างเยาว่าดีเพราะว่าท่านแนะนำให้คนทุกคนไม่ทําความชัว่วให้ทําแต่ความดี ถ้าทําคำสอนสอนโอ้โหดีพระอริยสงฆ์รับคําสอนสอนมาแล้วมาแนะนำพวกเราอีกพรก็ดีเหมือนกันยอมรับตั้งแต่พระพุทธเจ้าก็ทำพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจเการที่สามทรงศินให้บริสุทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระโสดาบันสกิทาคามีคือสินห้าพระโสดาบันขั้นต้นก็สินห้าขักลางก็เอาพระกำหนดสิประการ ขั้นสองสุดก็สมคำว่ขขาิดแน่นอนคำว่าชิดแน่นอนเอาอย่างนี้ก็อาการเอาแค่สินห้าก่อนจิตใจทรงสินห้าบสุทธิ์ก็เป็นว่าอาการสามอย่างของจิตใจขึ้นหนึ่งมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ต้องตายกายการที่สองไม่สงสัยในความดีของพทะเจ้าพระธรรมพระอริยสงยอมรับมติถือเป็นความจริงใจกายการที่สาม ทรงศีลบริสุทธิ์อย่างนี้ตนะหนกว่าพระโสดาบันสิกิทาคามีเป็นว่าถ้าได้ดับนี้แล้วทุกคนจะปลอดจากอบายภูมิอบายภูมินั้นสี่คือมันต้องสัเป็นสั์นรกเป็นเป็ด เ, เ, เป็นสุรกายสับดิษฐานจะไม่มีกระทัดต่อไปไม่ใช่ไม่มีเฉพาะชาตินี้อีกีชาติก็ไม่มี มีทางเดินสซนโซ น, นเดียวคือเดยเข้าไปใกล้ปฏิปันธ์านมาถึงก็แสบนฏิพันธ์นแล้วถ้าโสดาบันแปลวกก่าเราถึงก็แสบปฏิปันธ์เ น, นื่นงในเมื่ออารมณ์กิจเข้าตอนนี้ถ้าโสดาบันจะกิรานาคามีแล้วต่อไปก็แปล น, นาคามีอนาคามีตัดสัโยุกติห้าจากสามเมื่อกิริแล้วก็ต่อยสองคือว่าใกล้ต่อยสองหนึน่งหนึ่งตัดความรัก ในระหว่างเพศพิธกรรมมงคลนะถ้วร็การในสองตัดความโกรธทั้งสองอย่างนี้ไม่มีในอารมณ์พ่อนากขาว่านาคามีแต่วิธีตัดเวลาที่ท้านเดินตามระเบียบนนตามแบบจะต้องทำสมาธิสูงหน่อยอย่างน้อยๆก็สามารถสรงชันจีได้ว่า90นาทีก็พอทุกคน เกิสามารถทรงทั้งฌานสีได้ให้จับอสุภ ก, กรรมฐานกับกายยะกตาดุสสติสองอย่างเข้ามาบวกกันกายยกตาดุสติหมายถึงว่านึกถึงร่างกายเป็นอารมณ์อสุภกรรมฐานในร่างกายสมบุกโสโครณ์ตาที่ผมแนะนำกี้จนกระทั่งอารมณ์ของเราห่างจากความต้องการในการมารมณ์ไม่มีความรู้สึกในการมารมณ์ อย่างนี้เป็นข้อที่หนึ่งข้อนาคามียังไม่ยังไม่ถึงที่ได้คึ้นตัวแล้วต่อไปก็ตัดโทสะความโกรธอาศัยพรมิหารสีเป็นพื้นฐานหรือว่ากระสินสีกระสินสทีทำก็ไม่ยากแต่างกรสินสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวสีอย่างอย่างใดอย่างไหก็ตามเพราะพรมิหารสีต่างเข้าคุมอารมณ์ใจเจ้าท่านอารมจิตใจตกจากความโกรธ มีเมตตาวิธีตั้งถ้าทําได้อย่างนี้ก็้สองอย่างกระบวนตัดสัญญาณในหักคอข้อหนึ่งสกายติฏฐิขอตน้อนข้อสองวิจิปชาสามวิรพตประมาศสี่กรมชันทะและห้าปฏิฆะเรื่อการกระทบอารมณ์ต่อไปในเมื่อไปว่านาคามีแล้วเดี๋ยวลืมบอกไปนะปว่าโสุดาบันนี้มีสามขั้นเวลาพอ วสุทธดาบันมีสามขั้นคือขั้นแรกจริงๆอย่างอ่อนที่เรียกว่าสตักขาตรงจะต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเก็ชาติเกิดบนสวรรค์หรือบมโลกเจ็ดชาติมนุษย์เจ็ดชาติทราบกันตรกรรมาขั้นที่สองวิสุทธิดาบันละเอียดขึ้นที่เรียกว่าโกลังโกละอย่างนี้อารมณ์เข้มข้นขึ้นหน่อยจะเป็นมนุษย์อีกสามชาติ ขั้นสูงสุดเทียบเท่าเอกวิชีจะเป็นมนุษย์อีกหนึ่งชาติแบรนแต่ว่าในการมาเกิดเป็นมนุษย์นี่พระโสดาบันจะไม่ทํกขาร์ทั้งหมดอารมณ์จะทรงตัวจะไม่มีทางทุรมาร์ทุกเสียงทุกอย่างแล้วก็ไม่มีการทักน์อนนาบายภูมิสําหรับพระนาคามีถ้าใครได้พระนาคามีนะ อย่างนี้ถ้าตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นจิวดาก็ดีเป็นนางฟ้าก็ดีเป็นพรหมก็ตาม <c oughs> จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจะบํมาเพ็ญบารมีเต็มในที่นั้นแล้วนิพพานในที่นั้นอันนี้ต่อไปเรื่องพุทธละหนันละหนันจะต้องตัดเรีัง้งตัดไปห้าข้อไปน า, นาคามียทั้งยอดสิบก็ละหันต้องตัดอีกห้าข้อแต่ก็ไปขอไม่ยาก ไม่ตองแต่ให้ฉันเนีอ่านไม่ยากแต่จําก็ยากนะคือว่าเคยของไม่หนักเป็นไปหนักก็ได้นาคาเมกโสดาวันโสดาบันเองหนักกว่าจิตเจ้เก้าคือโสมาโซดาบันเน่งเพราะจิตมันชิงกับบาปเราทําบาปจนชิงยุงกัดนิดเราตกตายเลยเห็นไหมเมื่อกัดหน่อยเราดีตายเลยโทษมันหนักมาก าการที่เป็นมรโสดาบันต้องห้ามในตัวชินนี่เสียเขาถือว่าหนักต่อยเพราถึงนนอนนาคามีก็เพราะการยิ่งเข้าว่าเข้าถึงสกิทาคามีมันก็คล้ายอนาคามีอนนาคามีที่เรียกว่าต้องใช้ชามสีนั้นไม่หนักแล้วตอนนั้นมันชินแล้วก็ส่งอารมณ์ทรงตัวชินต่อไปถึงพระอรหันต์พระอรหันต์ได้ตัดกิเลสเบาตัดเพราะกิเลสที่เป็นอนุสัยกิเลสเบาๆไม่หนักในอนนาคามีหนักมาก หลตัดอีกห้าข้อขึ้นหนึ่งปราคะสองอุปราคะสามะนะสี่วิจิตชา3าสามะนะถ้าสี่อุปจักรห้าวิชาอูปราคะอรูอุปราคาธรราา 3, มานะั้นรูปฌานะรูปฌานคือว่าไม่หลงในรูปฌานและอรูปฌาน ตีองมีความรู้สึกว่ารูปฌานก็ดีรูปฌานก็ดีเพียงเพียงแค่บันไดเพื่อก้าวไปสู่ทิพย์านเท่านั้นไม่ใช่ที่พักที่อาศัยข้อต่อไปมานะการถือตัวถือตนจะต้องตัดเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเร็วเขาความรู้สึกอย่างนี้ไม่ดีทา้เดือดร้อนตัดไปให้มีความรู้สึกว่าคนทุกคนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมด คนบุคนผู้ใดมีความทุกข์เราคนต้องเคาะได้เราสงเคราะแต่ต้องเคาะไม่ได้ก็วางเฉอไม่ซ้าเติมทําตัวทำใจเส ม, มอกับคนทั้งหมดเจ้าสัตว์ทั้งหมดในโลกคือว่าคนก็ดีสักดีมีธาตุสี่เหมือนกันธาตุน้นำธ า, า, ต, าตุดินธาตุลมธาตุไฟเหมือนกันรักสุข เ, ก, ก, มมข เ, เกียดทุกข์เหมือนกันทําจิตใจเป็นสุขไม่ดังเกตใครไม่คิดว่าใครสูงไม่เมืไม่คิดว่าใครต่ําไม่คิดว่าใครเหนือกว่าเรา รือว่าเรากับเขาเหมือนกันทั้งหมดมีความต้องการเช่นเดียวกันต่อไปอุตจจะเพื่อรมฟุ้งสา้านฟุงรร้งซ้านว่าเราทมักไปเหมือนไมเหมือนมากว่า ม, ม, ม, มีความคิดอยู่นิดเดียวเมื่อเวลานี้เราเข้าเป็นานาคามีแล้วถ้าเราหยุดแค่นี้เราก็ปฏิผ่านได้ไม่จะตำเป็น ต, ต้องเป็นบรมีต่อไป ต่อยให้กิดลำใจค่อยๆตัดกิเลสเองกิเลสน้อยๆน้อยเพราะฉะนั้ไม่อย่างนั้นเราจะต้องทําคิดว่าเราจะต้องทําถ้าชีวิตยังทรงตัวอยู่เพียงใดก็เพรายามทาตัวเพย า, ยาันมดีทันใดหลังจากนั้นก็ตั้งใจตัดอารมณ์ฟุง้งซ่านและจิคิดว่าไม่ไม่จําเป็นต้องทํานั้นเลิกไปคิดว่าเราต้องทำํำในเมื่อชีวิตยังมีอยู่ก็ตัดกิเลสให้เป็นสังฆ์ิสล า, าให้หมดไปเลย ต่อไปก็ตัดอวิชาข้อสุดท้ายอาวิชชาแปลว่าไม่รู้หรือความโง่ไอชามแปลว่าโง่ดีกว่าภาษาบาลีแปลไม่รู้อวิชชาแยากออกสองสัมกิฉันท่ากับราคะฉันทามีความพอใจในมนุสสโลกเทวโลกสัพพโลกราคะเห็นวมนุสสโลกเทวโลกสัพพโลกดีน่าอยู่ตัดทิ้งไปทั้งสองตัว ให้มีความรู้สึกวนทโลกทั้งสา ม, มนุษ ก, ก็ดีเดทวดา ก, ก็ดีพระก็ดีไม่ต้องขารไม่ไปดินแดนที่พ้นจากความทุกข์เราต้องการจุดเดียวคือนิพพานอันที่ปฏิบัติตามลำดับนะเอาแค่ในลำดานั้นพุทธบริษัทเวลาหมดตอนนี้ไปเขาบรรดาสพุทธบริษัทหลายตั้งใจสม า, าทางถิ่สม า, าทางกรรมฐานห ม, ห, มหมดหมดก็หมดแรงหมดี